สองราคำว่าจงใจความว่ารู้อยู่รู้ดีอยู่จงใจฝ่าฝืนล่วงละเมิดคําว่าน้ําอสุจิอธิบายว่าน้ําอสุจิมีสิบชนิดคือวงเล็บหนึ่งอสุจิสีเขียววงเล็บสองอสุจิสีเหลืองวงเล็บสาอสุจิสีแดงวงเล็บสี่อสุจิสีขาว วงเล็บหอาอสจิสีเหมือนเปรียงวงเล็บหออสิจิสีเหมือนน้ำท่าวงเล็บ 7. อ็อสิจิสีเหมือนน้ามันวงเล็บ 8. อดอสิจิสีเหมือนนมสดวงเล็บ 9. อาอสจิสีเหมือนนมส้มวงเล็บส0ออสิจิสีเหมือนในใสคำว่าทำให้เคลื่อนคือกริยาที่ทำให้เคลื่อนจากฐานตรัสเรียกว่าทำให้เคลื่อน คำว่ายกเว้นไว้แต่ฝันคือยกเว้นความฝันคำว่าเป็นสังขารที่เศษความว่าสําหรับอาบัตินั้นสงเท่านั้นให้ปริวาสชักเข้าหาอาบัตเดิมให้มานัดและเรียกเข้าหมู่คณะก็ทําไม่ได้ภิกษุรูปเดียวก็ทําไม่ได้ฉะนั้นจึงตรัสว่าเป็นสังขารทีเศษคําว่าเป็นสังขารที่เศษนี้ เป็นการขนานามเป็นคำเรียกหมวดอาบัตินั้นนั่นเองโดยอ้อมเพราะเหตุนั้นจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังฆาทิเศษ